อาจารย์ครับกล่าวณภาษกาลครับผมจรัญพรเป็นหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพรอาจารย์ครับเสียงพระอาจารย์ยังไม่ร้อยเปอร์เ็นเลยนะครับเอ อ, เ อ, อต้องใช้เวลาหน่อยอายุมากแล้วกว่าจะเฟือ้องรูกบัลชานะครับผมแต่ว่าพระอาจารย์ไม่มีอาการเจ็บคอหรือว่าพูดลําบากหรือเป็นไข้เป็นอะไรไม่มีแล้วใช่ไหมครับก็ไ <c oughs> ข้มีบ้างเบาๆแต่ไม่ถึงขนัดครับผม เกือบจะเป็นปกติแล้วล่ะอาจจะเสียงอาจจะยังไม่ไม่สมบูรณ์ครับผมโอ้มีมีคนเป็นห่วงพระอาะจารย์เท้กัมาเต็มไปหมดเลยเมืม่อวันอังคารผมก็เลยไปฟังแอบไปฟังเสียงพระอาะจารย์ในซูมที่ดูทางยูทูบครับโ oh, อ้เสียงพระอาะจารย์วันอังคารยังแหบอยู่เยอะเลยนะครับอาจารย์แต่วันนี้แต่วันนี้ดีดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับผมวันนี้ดีที่สุดเท่าที่ผ่านมาเลยเกือบจะเป็นปกติแล้ว ครับแล้วพระอาจารย์ได้ไปบินธบัตตั้งแต่วันศุกร์เป็นปกติแล้วใช่หมครับผมเริ่มตั้งแต่วันศุกร์อยู่ไปห้าวันคราวน้จะยุดนตั้งแต่วันวันนัดรู้สึกวันวันวันวันจันทร์เน่าวันอาทิตย์จะไม่ได้ครับผมพระอาจารย์รักษาธาตุขันนะครับก็มันอยู่ที่มันจะรักษา เรื่อใหม่เราก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปตามเรื่องนะเรื่องของธรรมชาติคใครเราก็อยากไปขมูลกับมันก็แล้วกันดูแลให้มันดีสุดเท่าที่เราจะดูแลได้ถ้าเป็น<ต>สุดวิสัยก็ต้องยอมยอมกับกับความเป็นจริงครับอาารครับวันนี้ก็เลย มีคนบอกว่าลูกศิษย์เป็นห่วงเป็นยายพระอาจารย์แต่ว่าก็ได้ยินลูกศิษย์ที่อยู่ทางทางวัดบอกว่าพระอาจารย์ใช้แต่ธรรมโอสถในการรักษาไม่ได้กินยาอะไรเลยวันนี้ก็เลยตั้งหัวข้อเรื่องธรรมโอสถครับเพื่อเข้าสถานการณ์ ส, สดสดร้อนๆครับพระอาจารย์ครับกลับมความเมตตาพระอาจารย์ขยายความเรื่องธรรมโอสถนะครับอาจารย์ครับเพื่อความจริงธรรมโอสถนี่มีไว้เพื่อรักษาใจมากกว่า คือรักษาใจไม่ให้ไปทุกขกับความเจ็บไข้แน่ป่วยความเป็นคว า, ามตายของร่างกายส่วนน่างกายก็ดูแลมันไปตามตามความเหมาะสมคือถ้ามียากินก็ได้ไม่กินก็ได้ไไดแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันจะบางทีมันกินมันก็มีมีผลผลต่างกันได้มากเอบางทีก็ไม่กินก็ได้อันนี้การแพท ถ้าจำเป็นจะต้องกินก็กินถ้าโรคบางโรคที่ต้องรักษาด้วยยามันถึงยาหายก็ต้องกินยาไปถ้าบางโรคมันเป็นของมันเองแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองเช่นโรคหวัดมันเป็นเองแล้วมันก็หายเองเห็นแต่ว่าต้องใช้เวลามันต้องการเวลาพักผ่อนเวลาให้ร่างกายมันสร้างภูมิต้านทานโลคมันก็ในอเดี๋ยวมันก็หายของมันเอง ส่วนในกรณีที่เป็นอยู่นี้เราคิดว่ามันเป็นแบบเป็นเองหายเองได้ก็เลยเคยเป็นมาแล้วเคยเป็นแบบนี้มาแล้วแล้วก็หายได้ยาที่หมอให้กินก็เป็นพวกยาแคปปวดอะไรทลดร่ากายปวดแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่ทุกกับการปวดของร่างกายกินไม่กินก็เท่ากันอะไรไม่กินก็ดีถือว่ามันจะได้เป็นเป็นข้อสอบให้เราคอย ทดสอบใจเราด้วยว่าใจเรารับทุกเวทนาได้ไหมเพราะมันจะต้องเจอเวลาที่มันยากก็ช่วยไม่ได้ก็มีท่านก็ต้องมาใสธรรมะโอสถคือใช้ใช้ใสติใช้ปัญญารับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมาข้อสำคัญก็คือรักษาใจไม่ให้ทุก ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายร่าง ก, กายรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ก็ยอมรับสภาพไปไว้แต่ใจของเราอย่าไปทุกข์อย่าไปเดือดร้อนไปวุ่นวายไปกับกับมันก็แล้วกันะเป้าหมายของนักปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อให้พ้นทุกข์เนี่ยทุกข์ที่เกิดจากแก่เจ็บตายเนี่ นั่นก็ต้องใช้สติเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วใจก็จะวางเฉยแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าร่างกายมันเป็นสภาวะธรรมเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครมันจะเป็นอะไรขึ้นมามันก็เป็นมันจะหายก็หายมันไม่หายมันก็ไม่หายมันไม่เทีย่ยง ก็ต้องเข้าใจหลักนี้แล้วก็อยู่กับมันไปเตรียมตัวไว้ว่างวันในวันก็จะต้องถึงที่ที่สุดของมันมันก็จะต้องหมดต้ลมหายใจไปวันใดวันหนึ่งแต่ใจเราไม่ได้เป็นร่างกายก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไปกับความเป็นความตายของร่างกายใจเราก็ สุข้ไม่สุขก็อยู่ที่ว่าเราทำใจเฉยได้หรือไม่ปล่อยวางได้หรือไม่ทำใจให้มีรู้เบกขาไหมละวางเฉยเทานั้นเองนี่ก็ทธรรมะอวสุนแต่ดูมันยากเหมือนกันมั น, มนยากสำหรับเรอะมันต้องฝึกอะมันต้องฝึกด้วยเบคกขาเนี่ยยากมากถ้าจะให้จิตนิ่งสงบ ปอยวางเฉยได้นเนี่ยต้องใช้สติต้องฝึกสติมากๆครับ <Okay. S 2> นำสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ mm hmm. มันก็จะได้อุเบกขาครับห <Okay. S 2> ลัอองจากนั้นก็มาสอนมาสอนทางปัญญาให้ปล่อยวางอย่าไปสร้างความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากให้มันไม่เป็นนู่นเป็นนี่อย่าให้มันหายอยากให้มัน อยู่เป็นนานๆนะลักษณะนี้มันเป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาเดินไม่รู้สิบตัวเพามันเป็นความอยากมันเป็นสมุทยัยภาะวะตัณหาอยากอยู่ไป น, นานๆะที่ภาะวะตัณหาอยากให้ความเจ็บหายไปมันเป็นพอเกิดตัณหาเหล่านี้ขึ้นมาใช้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานทันทีต้องไม่ให้มันเกิดต้องซอนต้องเข้าใจ ด้วยปัญญาว่ารางกายมันเป็นอย่างนี้มันเป็นไปเปลี่ยนมามันมีเกิดมีดับากาปัญญาให้มันไม่ดับมันเป็นไปไม่ได้นะมันจะ ม, มีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาจะไปให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นี้เวลามันเกิดขึ้นเกิดข้เจ็บนะรัรักษาได้ก็รักษาไป ารากษาไม่ได้ตายก็ปล่อยมันตายไปพ็เท่านั้นเองทุกคนก็ต้องมาจบจบจบจ บ, จ บ, จ บ, จบของของร่างกายด้วยกันทุกคนไม่มีใครหนีคนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นปุตุชนธรรมดายอย่างพวกเราหมือนกันไม่พเรอของคตายขาร่างกายต่างกันที่จิตของพระอริยธรรมก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย ของปุถุชนนี่ยังไปหลงคิดว่าร่าตายเป็นตัวเองอยู่ก็เลยเกิดความอยากอยากไม่ตายอยากให้มันอยู่ น, นา น, านอยากไม่ให้มันเจ็บกายได้ป่วยเป็นก็อยากจะให้มันหายทันทีอันนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์รมานให้กับใจเอาไม่มีธรรมะโอสฐไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิฉั้นพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้จริง สงบงนานๆให้เป็นอุเบกข า, านันๆเยอะๆนะเวลามันได้อยู่ในสมาธิก็ค่อยมันเตือนใจสอนใจว่าร่างกายมันไม่เทีย่ยงมันเป็นอนัตตามันเป็นสภาวะธรรมที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาบางช่วงเราก็ดูแลมันได้ควบคุมมันได้แต่มันถึ ง, ถงช่วงหนึ่งบงทีมันก็ไม่มันก็ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดู แ, แลของเรา อาจารย์ครับตอนที่ใช้ทำฮะโอสถนี้เราก็ยังเจ็บยังปวดอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพียงแต่ใจเราไม่ไปถุกอาการปวดของร่างกายก็เหมือนเดิมแต่ใจมันไม่ได้ไปวุ่นวายไปกับอาการปวดของร่างกายพอจะเข้าใจแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวครั้งหน้าจะถ้าผมป่วยผมจะพยายามลองใช้ทำโอสถเท่าที่พอทนได้นะครับอาจารย์ครับเขาลองดูนะครับ คระพุทธผลพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับมีคนถามปากคาถามมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วฝากให้ผมอ่านในพระถามอาจารย์นะครับอ่ากล่าวนมัศการพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งเ ข, งขามำสองข้อครับคนป่วยที่นอนติดเตียงเคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้ได้แต่รับรู้ทางตาเช่นพอถามสั้นๆให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยก็จะตกลงกันว่าถ้าใช่ให้กระพริบตาถ้าไม่ใช่ก็ให้นิ่งนะครับอย่างเงี้ยครับ อ, อไม่ จิตของผู้ป่วยยังอยู่กับกายใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้ามีการรับรู้ก็ยังจิตก็ยังมีอยู่ครับข้อที่สองเขถามว่าคนป่วยถ้าสมองไม่ทํางานแต่หัวใจยังเต้นอยู่จิตอยู่ที่ไหนเจ้าคะถูกขังอยู่ยังไงเจ้าคะจิตก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ยังยังมีความสัมพันธ์เหมือนเดิมอยู่เพียงแต่ว่าไม่สามารถ ร่างกายไม่สามารถตอบสนองคําสั่งของจิตได้เพราะสมองผู้เป็นผู้ประสานให้ร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ทํางานสมองมันเป็นเหมือนตัวการตัวที่รับคําสั่งอาจากใจที่เช่นใจบอกให้ยกแขนยกขาแต่สมองมันไม่ทํางา น, นไม่สามารถสั่งการให้แขนหรือขายกขึ้นมาได้แล้วก็ จิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีการอะไรแตกต่างไปแปก่อนที่สมองจะเป็นอะไระไม่เป็นอะไรไม่จิตก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังติดต่อกับร่างกายสั่งการร่างกายอยู่มีแด่สั่งแล้วมันไม่มันไม่ได้ตอบสนองว่าร่างกายมันมันช้ำนุดคำถามจะคุณวีนาครับคนที่เจ็บป่วยทั้งกายและใจ สามารถใช้ธรรมะในการบำบัด ร, รักษาใช่ไหมคะงั้นก็ดีนะคะไม่ต้องทานยาครับบำบัดได้ทางใจอย่างเดียวทางร่างกายบำบัดไม่ได้ทางร่างกายก็ต้องบำบัดด้วยยาของร่างกายทางใจก็บำบัดด้วยยาของใจยาของใจก็คือธรรมะอุปสนให้ใจนิ่งให้ใจวานเฉยแล้วก็ให้ใจเย่าไปมีความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ใจก็ยังไม่ชุกแต่ความเจ็บปวดของร่างกายมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันอันนี้ตอนใช้ยาถ้าไม่อยากจะเจ็บปวดก็ก็ต้อ ง, ต, องต้องกินยาถ้ามียาแก้ปวดมันก็จะลดอาการปวดทางร่างกายได้แต่ถ้ามีใจที่แข็ง ใจไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวยของร่างกายไม่กินก็นได้อยู่กับความเจ็บปวยของร่างกายได้คุณเฟื่องครับน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ชิงถามปัญหาแบบงงๆค่ะแม่อยากให้เลิกกับแฟนคนปัจจุบันและลูกสาวก็อยากจะให้เลิกกับคนปัจจุบันคนที่พาคนที่เขาพาทำมาหากินแต่เขาไม่ใช่คนดีเท่าที่ควรในสายตาคนอื่น ลูกควรทาอย่างไรเจ้าค้ากลับขออภัยว่าอาจารย์ที่ถามเรื่องโรคๆแบบไร้สาระเจ้าค่ะมันก็ไม่รู้จะตอบยังไงมันเรื่องส่วนตัวคนก็ต้องช่างน้ําหนักเอาว่ากันว่าเขาดีพอสําหรับคุณหรือไม่อ่ามันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะไรแบบนี้น ว่าคุณเวลาไปหาได้เขามาไม่มาปรึกษาเราก่อนเนี่ยจะมาปรึกษาเราได้ไงครับคุณวันเพ็ญครับลูกสวดบทพระธรรมมาจักไม่เปิดหนังสือทุกวันพิจารณาทุก์ในอริยศาสพ่อแม่ตายนานแล้วเหลือลูกจะต้องพัดพรากกราบอาจารย์เมตตาชี้แนะเรื่องปัญญายาณเจ้าค่ะวันนี้เนี่ยเรื่องเห็นอนิจจังเคยความไม่แน่า ทำไม่เที่ยงของร่างกายเกิดมาแล้ร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาร่างกายเป็นร่างกายเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีตัวตนเป็นส่วนที่ทำประกอบขึ้นด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟที่วันหนึ่งก็จะต้องมีการแยกแยกสลายออกไปธาตุดินน้ำลมไฟที่มาลงตัวต่อตั้งร่างกายนี้ขึ้นมาวันหนึ่งก็จะต้อง ยากทานกันไปร่างกายนี้ก็จะหายไปนี่คือบัญญายาให้คิดอย่างนี้ไปเรือยคิว่าร่างกายนในที่สุดมันก็ต้องย่อยสลายกับคืนสู่ธาตุสี่นิ น, น้ำลมไฟเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราเราเป็นใจผู้มาครอบครองร่างกายผู้มาใช้ร่างกายสั่งร่างกายให้ทำอะไรต่างๆเราไม่ได้เป็นอะไรไปนะ มอยังได้ยินรึเปล่าได้ยินครับพอาจารย์ครับดูดีๆจอมันดำขึ้นมาไมดอะไรทั้แล้วกลับมาแล้วครับผมก็ไปรู้กันถ้าอะไรจะเกิดกเกิดครับผมยังปกติครับพระอาจารย์ครับคําถามจากคุณวิไลครับกราบถามค่ะปกติจะอยู่บ้านกับพี่สาวสองคนแต่บางครั้งอยากให้พี่สาวนอนกับแม่แต่แม่แค่ แกเป็นห่วงไม่อยากให้นอนคนเดียวพี่สาวเลยบอกแม่ว่าแคทเป็นนอนบ้านพี่สาวอีคนเป็นการโกหกเพื่อให้แม่สบายใจผิดศีลห้าไหมคะถ้าโกหกก็ผิดนะคุณนันพัฒครับขอาการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขาสังขารในปฏิจจสมุ ป, ปบาทเป็นตัวเดียวกับสังขารในขันห้าไหมเจ้าขาขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิจจสมุ ป, ปบาทด้วยครับ สังขารก็คือปลว่าความคิดปรุงแต่งเป็นตัวสังขารในขันห้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนที่เราส่วนเราภาษาไทยที่เราใช้ทั่วไปบางทีเราใช้สังขารแทนร่างกายพราตอนนี้สังขารไม่ค่อยดีเลยเจ็บไายได้ป่วยทังจริงถ้าทําำๆต้องเรียกร่างกายเพรารูปรูปประขัน ส่วนสังขารขันนี้เป็นความคิดปรุงแต่งที่อยู่ในใจผู้ทาหน้าที่สั่งการใหออ้ให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเช่นวันนี้สั่งการให้มาเปิดมาเปิดรายการนี้มาฟังรายการนี้เนี่ยสังขารเป็นผู้สัง่งก็คือความคิดเนี่ยสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งในปฏิจจส ม, มุปบาทมันก็เป็นตัวตัวที่รับคําสั่งมาจาก จากคำวิชาทีนี้คำวิชาก็คือความหนงด้วยความไม่รู้ว่าว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนไม่ลงคิดว่าความสุขอยู่ที่การได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสังขารก็เลยสั่งให้วิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกมืนกายไปเชื่อมกับตาหูจมูกมืนกายเพื่อที่เวลาตาหูจมูกมืนกายได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรส วิญญาณก็จะส่งรูปเสียงกีรติเข้ามาให้จกีใจได้เสพได้สัมผัสพอรูปเสียงกินรติเข้ามาสู่ใจพันโดยโดยสายของวิญญาณมันก็เกิดรูปความ ร, รู้สึกขึ้นมาเกิดเวทนาขึ้นมารู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นอยู่กับรูปเสียงกินรติว่าเป็นแบบไหนชนิด ท, ที่เรารักเราชอบก็สุขชนิด ท, ที่เราไม่นักไม่ชอบก็ทุกข์ชนทิที่มันเป็นกลางมันก็ใช้มันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ แล้วพอเราเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็มักจะเกิดตัญหาความอยากขึ้นมาถ้าเจอสุขเวทนาก็อยากได้อยากให้มีอยู่ไปนานๆนนเกิดภวะปัญหาถ้าเกิดทุกขเวทนาก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆก็เกิดวิภาวะปัญหาขึ้นมาพอเกิดตัญหาขึ้นมามันก็เกิดอุปทานความยึดติดในสิ่งที่เรามีความ มีตันหามีความอยากด้วยในรูปเสียงกินนกที่เราชอบแล้วก็ไปติดอยู่กับรูปเสียงกินนกที่เราชอบแล้วมันก็ทําให้เกิดเป็นภาวะที่เราจะอผูกพันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยู่กับมันไปเรื่อยๆเวลามันไม่มีก็ไปหามันเวลามันไม่อยู่ก็ไปหาใหม่้าใหม่เช่นกินทุเรียนลูกนี้หมดแล้วเดี๋ยวไำไมหารุ่ทุเรียนลูกใหม่มากินต่อ เกิดพาวะใหม่ขึ้นมาตัณหาแล้วพอเราไปยึดติดเราไปชอบทุเรียนเราไปติดกับทุเรียนตัณหาเพราะมันให้สุขกเวทนานกับเรา เ, เวลากินทุเรียนแล้วมันสุขเราก็เลยเกิดตัณหาความความติดพันกับทุเรียนเวลาที่ทุเรียนมันหมดเราก็ต้องไปหาใหม่หาใหม่ก็เหมือนเ ร, เรียกเป็นภาวะใหม่เ ป, เป็นภาวะ เอาวภาวะอย่างนี้แลเราก็ทําไปจนกว่าร่างกายจะตายไปพอร่างกายตายไปเราก็ไปหาภาวะสร้างภาวะใหม่ด้วยการไปเกิดใหม่ไปให้ร่างกายใหม่เพื่อที่เราจะได้กลับมาเสพทุเรียนใหม่อยังไม่จะกลับมาเสพไม่รู้กี่กี่ครั้งมาเนี่ยทุเรียนเลือกของที่มีรสชาติคล้ายๆกันของที่เราชอบทุกครั้งที่เรากลับมาเกิดแล้วก็กลับมาหาของที่เรารักเราชอบ เ ร, เราต้องตัดต้องมาตัดตรงไหนตัดตรงที่เวลาเกิดเวทนาขึ้นมาเวลาเกิดสุกทุกข์ไม่สุกไม่ทุกเวทนาเราต้องใช้ภูเบกขาเข้ามาวางเฉยอย่าไปยินดีอย่าไปอยากได้อย่าไปอยา ก, อ ย, ายากอย่าให้มันเกิดภาวะตัณหาและวิพากษ์ตาัาถ้าเราหยุดตรงตัณหาได้อย่าให้เกิดตัณหาขึ้นมาอุปทานเอ ความอยากมันก็มันอุปทานความยึดบ้านมันก็จะไม่มันไม่มันก็จะไม่เกิดตามมาเพราะว่าก็จะไม่เกิดตามมาพบชายก็จะไม่ตามมาถ้าเราอยุดที่ตัวปัญหาความอยากได้อยากไปอยากยุเรียนจะดีขนาดก็ฝืนไม่กินมันเชื่อไหมเนี่ยเราไม่เคยกินยวเรียนมาไม่รู้กี่ปีนั่นนี้ก็ไม่เคยแตกเลย มันไม่ต้องเสกเฉยๆนะมันไม่ได้กินมันกินรู้สึกมันก็เท่ากันแล้วอย่าไปกินมันอย่าไปกินมันถ้าบ้างเดี๋ยวมันก็เฉยกับมันได้เองถ้ากินแล้วมันก็ติดมันก็เหมือนติดคอนติดบุหรีติดสุราติดอะไรเนี่ยพอมันเสพแล้วมันจะต้องเสพเรื่อยๆถ้าอยากจะเลิกเสร็จมันต้องอย่าไปอย่าไปอยากกินอย่าไปสร้างตัญหาความอยากถึงนะ ท่านั้นเองถ้าต่อไปมันก็ จ, จะไม่มีภาวะไม่มีอุปทานไม่กลับยึยดติดในในรูปเสียงกินลดต่สิง่งต่างๆที่มีในโลกนี้ลาบยศดสารเสริอนรูปเสียงกินลดใดมันก็จะไม่ยึยดไม่ติดเมื่อไม่ติดมันก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่ คุณมาริสาครับเคยไม่สบายอย่างโรคง่ายๆแบบไข้หวัดหรืออาการไม่สบายต่างๆลองทําใจให้สบายและตั้งสติและมีสมาธิอาการก็ทุเลาลงโดยไม่ต้องกินยาหรือไปหาหมอแต่ความอยากให้หายไวๆกลับเกิดอาการหนักมากขึ้นทุกคือเกิดจากความอยากใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่ใจทุกข์ไม่ อ, อยากให้มันหายเร็วๆไม่ใจไม่เย็นพอไม่ปล่อยให้ร่างกายมันหายไปตาม <c oughs> ตามเรื่องมัน คุณสุพตาครับฝันว่ารถตกลงน้ำในฝันก็บอกตัวเองว่าให้มีสติกำลังจะคิดหาวิธีเอาตัวรอดและมีความคิดขึ้นมาว่ามันคือความฝันแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมาค่ะใจอย่างวิววิวที่จิตมันบอกว่าคือความฝันมันถูกทำไหมคะหรือหนูควรยอมตายคะก็แล้วต่หนูเหรอหนูจะเชื่อเป็นความฝันก็ได้ก็เลยเะประเด็นเปตรงับควมเป็นความฝัน ถ้ามันมันมันบ่งบอกถึงการปฏิบัติของเราว่ายังไม่เหตุการณ์ที่เราจะยอมตายเอถ้าถ้าเรายืถ้าเรายอมตายแล้วเวลาอยู่ในความฝันมันาจะฝันแล้ก็ยอมตายคุณสมพรครับจะแก้การผัดวันประกันพรุ่งด้วยธรรมะข้อใดอย่างไรดีครับโยมเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งจนบางครั้งทําให้เครียด เอาได้ง่ายแอนเกิดจากการผัดวันประกันภุมิไม่ชอบเลยครับขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับก็ต้องบอกว่าขอที่เราต้องทำเน่ยมันก็ต้องทํำไม่ช้าก็เลยว่าต้องทำนั่นทำเสียตั้งเดี๋ยวนี้มันจะได้หมดเรื่องหมดแล้วไปปลายกันไปมันก็ต้องมันก็ต้องมันก็กลายๆเป็นเรื่องที่ข้างขาใจเราอยู่ไปเรื่อยๆนั่นมีงานการที่ต้องทําก็ทํามันเป็นรา่นิดทำเป็นนิมันเสร็จเสร็จไปจะได้หมดเรื่องหมดแล้ว คุณไขตุนครับการเรียนถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งภรรยาถือสินแปดไม่ร่วมเพศกับสามีสามีจึงนอกใจถือว่าสามีทําบาปต้องชดใช้กรรมไหมครับอ่ามันก็เรื่องของสามีเขสามีผิดสินก็เรื่องของสามีเขมันไม่เกี่ยวกับภรรยาเพรนเรื่องกันข้อที่สองถ้าสามีนอกใจแต่ภรรยาไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจถือว่าสามีต้องชดใช้กรรมไหมครับเหมือนเดิมสามีก็ยังทา าาคุณอัคยาถามเรื่องธรรมโอสถ ต, ตอบหรือพระอาจารย์ขยายความนะครับบอกว่าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าธรรมโอสถอยู่เลยความตายเป็นนิดเดียวขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดว่าหมายความว่าไงแตก็เรื่องของคนอื่นนี่จะให้เราอธาิบายแล้วคงจะตอบอยากไม่อยากจะตอบดีกว่า ต้องไปถามคนที่เขียนหนังสือนั้นดีปะ่ะคุณวิไลครับบอกว่าเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาแต่ตอนนี้หายแล้วจากฟังพระอาจารย์ไลฟ์ตอนบ่ายสองและปฏิบัติท่องพุทโธตลอดเวลาตอนที่คิดมากแน่หมั่นนั่งสมาธิปฏิบัติแบบนี้มาสามเดือนหายเป็นปกติกราบพระอาจารย์ครับตอนนี้หมั่นปฏิบัติต่อไปค่ ะ, ะยินดีด้วยนี่อันนี้แหละธรรมะแก้โรคซึมเศร้าได้ น, นี่ชัดเจนเลยนะครับอาจารย์เป็นลรคฟึงเศร้าหายคุณสมพรครับบอกว่าตอนโยมสวดมนต์ภาวนาโยมส่งกระแสจิตมายังให้ธาตุขันพระอาจารย์แข็งแรงในเร็ววันหากเรามีสมาธิแก่กล้าสามารถส่งถ่ายกระแสจิตถึงกันได้หรือเปล่าครับ โยมรู้สึกมีความสุขมากที่จิตมีสมาธิส่งกระแสจิตมายัางาธาตุขันธ์ถ่ายพลังจิตาานะพระอาจารย์แข็งแรงแต่จิตต้องมีสมาธิหลังจากได้สวดมนต์นั่งสมาธิจึงสามารถทําได้อย่างนี้ถือว่าโยมปฏิบัติได้ถูกทำได้ถูกทางแล้วหรือยังครับถูกทางในแง่ภพวิหารสี่ครับคือมันมันมันเป็นไปไม่ได้หรอที่จะส่งกระแสจิตไปรักษาโรคภายแค่เจ็บของคนนั้นคนนี้มันเป็นเรืษษ่องของความคิดขอ ง, งนนเราไปเองน แต่ถ้าเราเรานั่งสวดมนต์เราทาให้จิตเราสงบมีสมาธิอันนี้ก็ถูกทางก็อาจจะใส่ความปรารถนาดีของเราต่อต่อคนที่เรารักเราเคารพแล้วก็เลยทำให้เรามีความตั้งใจที่จะนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเพื่อที่เราจะได้ส่งกระแสะสมาธิของเราไปรักษาท่านอันนี้ก็เป็นอุบายก็ได้อุบายที่จะทำให้เราได้นั่งสมาธินั่งทาใจให้สงบ แต่มันไม่ไ ด, มไมได้มันไม่ได้เป็นการากระทําอะไรนอกนอกนอกเหนือไปก่อนนะั้นทางวิพรมวิหารสีก็ยังไม่ได้ีก็ยังไม่ได้ทําอะไรคือเมตตากรุณาที่ต้องเกิดจากการกระทําไม่ใช่เกิดจากการคิดนั่งเฉยๆคิดไปว่าขอให้คุณหมอหายจากโรคใครไข้เจ็บอะไรนี่มันต้องไปช่วยไปช่วยทำให้เขาหายถ้าเรารู้จักวิธีรักษาอะไร คุณปรีชาครับผมไปใส่บาตที่วัดเมื่อพระฉันเสร็จพระให้อาหารที่เหลือผมและชาวบ้านที่ใส่บาตทานอาหารที่พระให้แล้วผมก็ทำความสะอาดลานวัดเพื่อทดแทนบุญคุณการให้อาหารทางขอถามใส่บาตแล้วก็ทานอาหารกวาดลานวัดจะได้บุญไหมครับก็คือการการทานอาหารไม่ได้บุญหรอกแต่การช่วยทำความสะอาดวัดเนี่ยก็ได้ด้ คุณหลินครับผ่าจารย์หนูเป็นพยาบาลมาอยู่ในสถานการณ์ผู้พิการอวัยวะโชคดีมีธรรมเข้ามาช่วยเจ้าค่ะการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเจ้าค่ะเลยใช้สติสมาธิลุยหาเงินใช้หนี้ปัจจุบันพร้อมตายมากเจ้าค่ะเลยลืมตัวว่าตัวเองพิการหลายจุดทํางานห น, หนักๆลืมตัวหนูยังติดร่างกายหรือเปล่าเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าเราทุกกับร่างกายหรือเปล่า เวลร่างกายเป็นอะไรเราทุกกับมันหรือเปล่าถ้าเรายังทุกกับมันก็กสแสดงว่าเราอยากติดอยู่แต่ถ้าเราไม่เป็นเราไม่ทุกกับมันมันจะเจ็บจะจะเป็นอะไรเราก็เฉยเฉยก็ยสแสดงว่าเราไม่ติดการใช้ทางกายนี้ไม่ได้ห า, า, า, าว่าเราติดหรือไม่ติดเนี่ยต้องดูวันเดียวที่ที่กาของเราว่าเราทุกขเราวุ่นวายไปกับร่างกายหรือเปล่าถ้าเราไม่ไวุ่นวายไปกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราก็เฉยไม่ทุกข์ก็สแสดงว่าเราไม่ติด คุณมารีครับกาบเรียนถามพระอาจารย์การที่พระหรือแม่ชีสามารถรับฟังข่าวสารหรือดูทีวีเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองได้ไหมเจ้าคะคือถ้าล่าแต่ความเคร่งครัดของผู้ปฏิบัติถ้าต้องการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้ตัดไปหมดทั้งสิ่งที่เข้ามาทางตาหกเทมบุนกายก็อย่าไปสนใจเพราะว่ามันจะทำให้ใจนี้ พงสร้างขึ้นมาได้การที่จะไปยินได้ฟังมาแล้วก็มันเจะกระตุ้นความคิดปรุงแต่งที่เราพยายามที่จะลดที่ที่จะละให้มันมีน้อยลงไปเพื่อเราจะได้เข้าสมาธิได้นี่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละวัดว่ า, ามีนโยบายใาเกี่ยวกับเรื่องการรับฟังข่าวสารรื่ดูทีวีอะไรต่างๆสมัยที่ไปอยมัณตะมัตฑะสมัยนั้นหลวงตาท่านห้าม ไม่ให้ดีวิดีุอไม่ให้มีทีวีไม่มีอะไรเข้าไปน็นไรวะไม่ให้แต่หนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้อ่านยังยังเห็นพระอาจารย์อยู่ค่ะผมเห็นอยู่นะครับผมเห็นจอหน้าเราเห็นเห็นเจ้ามันเห็นเห็นหน้าพระอาจารย์แต่ว่าดูแสงมันหายไปจากจอเฉยๆครับอาจารย์<อ>แต่ทุกอย่างปกติครับผมไม่ทราบเป็นอาจจะเป็นว่าจอมันเริ่มเสื่อมแล้วก็แบบ ก็ไม่เป็นไรครับว่าเป็นจตงหวะเหมือนจะใช้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรเนี่ยว่าจะถ้าเข้าไม่ได้ถ้ามันหายไปก็าอาจจะใช้มือถือต่อต่อเข้ามาไปได้ครับอาจารย์ครับแต่ยังดูปกติครับอาจารย์ครับ<ม>จะมีเฉพาะฝั่งอาจารย์ที่จออาจจะดับของพระอาจารย์ไปเฉยๆครับแต่กล้องใช้ได้ครับ<ม>ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงที่บ้านที่ลวงตาไม่ให้เอาหนังสือพิมพ์เขา ไม่เข้าไปหมดไม่รับรู้ทางโลกเลยครับผมแม้แต่นจนมงจนหมายทางบ้านก็ไม่ให้ไม่ไม่อยากให้รับแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับห้ามแต่ว่าอย่าไปรับรู้เรื่องทางโลกเลยมันเป็นจะมาทราบเั็นนิวร์ทาให้จิตใจคลุ้งซ่าทําให้จิตใจสงบยากยาจะเกิดสัญญาอารมณ์ไปคิดถึงบ้าน ก, ก่อนเียๆนี้ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้เป็นหวงโยมั่อยู่ห่หคนคนี้ของคนนี้ ให้ตายไปจากโลกไปดีปะ่ะถ้าต้องการเทาไปทำธรรมอย่าไปสนใจกับเรื่องทามโลกพระอาจารย์ครับอย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยมีญาติไปเยี่ยมพระได้ไหมครับสมัยหลวงตานะครับมีแต่มต้องมีเวลาไปนะส่วนใหญ่เข้าไปตอนเช้าตอนที่พระท่านเอาปะชันไรเงี้ย<อ>แล้วชันเสร็จแล้วก็อาจจะได้พบปะกันบ้าง แต่ทั้งก็ไม่ให้แม่้พบปากกันนานะอยากทักทายอะไรกันพอครับก็ให้คห้กลับผะใช่คนใหญ่พลาดเนี่ยยังไม่ค่อยกล้าให้ย่างยงมาเยี่ยมกลัวเดี๋ยวหนังตาจะลล่ออกสองวันไป คุณเ e. ครับกลับเรียนถามเจ้าขา่ามีญาติป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมก็จะพาฟังธรรมะจากพระอาจารย์และบริจาคผ่านแอปโดยจับมือญาติอย่างนี้ญาติได้บุญไหมครับถ้าเขาฟังธรรมะรู้เรื่องเขาก็ได้บุญจากการฟังธรรมส่วนการบริจาคนี้มันก็อยู่ที่ว่ามันเป็นทรัพย์ของเขาหรือเปล่าถ้าเป็นทรัพย์ของเขาแล้วเขายินดีที่จะบริจาคเขาก็จะได้ผลด้วย แต่ถ้าเป็นทรัพย์ของเราเราเพียงแต่บอกเขาว่าทำบุร่วมกันนะเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้บุญที่กิดจากการบริจาคทรัพย์ น, นั่นี้คุณน้ําครับขายอุปกรณ์ตกปลาได้รับผลกรรมไม่ดีไหมครับก็คือมันก็เป็นอาชีพที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรจะทาเพราะเป็นการส่งเสริมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็มันก็ไม่ได้บาปโดยตรงแต่มันก็เป็นการ การทำที่เราโดยคาเราไปสนับสนุนโดยทางออกทำให้ให้ไปทำลายชีวิตของผู้อื่นนั้นที่สอ ง, งนี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเอามันไม่ได้อยู่มไม่ได้ถือว่าเป็นบาปคุณอรารยาครับการนัสักการพระอาจารย์เวลาเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างๆแล้วกระทบใจทำให้ใจเศร้าหมอง ภาวนาพุโทโธทำให้ใจสงบได้บ้างแต่สักพักจะหวนกลับมานึกถึงแล้วเศร้าหมองอีกโยมต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้กลับมาเศร้าหมองเจ้าคะก็ต้องสวดต่อต้องภาวนาพุโทโธต่อไปเวลาที่เกิดอาการเศร้าหมองก็เหมือนกับเราไม่สบายทางร่างกายเราก็ต้องเอายามากินกินไปจนกว่ามันจะหายหายแล้วถ้ามันเป็นอีกเราก็ต้องกินยาแบบเดียวกัน ทุกครั้งที่เราเกิดอาการเศร้ามองแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเป็นกว่าความเศร้ามองนั้นจะหายไปเราก็หยุดได้ถ้าถ้าเกิดเรากลับไปคิดขึ้นมาอีกแล้วเศร้ามองอีกเราก็ต้องหยุดมันอีกเท่านี้ก็ต้องทาไปเรื่อยๆคุณสมพรครับโยมเป็นคนมีจริตคิดปรุงแต่งได้ง่ายเฉพาะยิ่งขณะนั่งสมาธิแต่ตอนสวดมนต์ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เพราะใจจับจดกับคําสวดมนต์ในหนังสือ ต้องแก้อย่างไรดีครับให้ไม่คิดปรุงแต่งขณะนั่งสมาธิสิบนาทีหลังสวดมนต์ทำวัดเย็นครับปามันก็เป็นเพราะว่าเราสติเรามีกำลังน้อยถ้าอยากจะให้มันมีกำลังมากเราต้องขยันเจริญสติในช่วงช่วงเวลาที่ทั้งวันนะที่เวลาที่เราทำอะไรในชีวิตประจาวันของเราเราควรจะฝึกทำด้วยสติ ก็คือทำอะไรไปก็ถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็ใช้พุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือคอยเฝ้าดูงานที่เราทำํำร่างกายกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็คอยเฝ้าให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่นถ้าเราฝึกอย่างนี้ได้เวลาเราส่วนมนว์หรือนั่งสมาธินี่มันจะไม่ความคิดตุงแต่งมันจะน้อยลงไปมาก คุณหลินครับหนูมา อ, อยู่จุดผ่านเนื้อ ง, งอกและใส่อุปกรณ์ระบายน้ําในสมองใบหน้าเหลือครึ่งซีกใบหูเหลือข้างเดียวจิตหนูสั่งการมาเจ้าคะ่ะสมองหนูพังทลายพังหลายจุดและเห็นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหนูเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะถูกแล้วนะใจเป็นผู้สั่งการร่างกายเป็นเพียงแต่ผู้รับรับคําสั่ง คุณนัทริยานครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะตอนเช้าจะสวดมนต์แล้วจะถวายน้ําพระพุทธรูปควรจะขอกล่าวถวายน้ําพระพุทธรูปช่วงไหนคะปกตนนิไม่ควรถวายของรับประทานให้กับพระพุทธรูปเลยเพราะว่าไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรพระพุทธรูปนี้เดือดมาเดือดมาอะไรไม่ได้รับประทานอะไรไม่ได้โดยธรรมเนียมเวลาเราบูชาพระพุทธรูปเราจะมุชฌเลือกเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียน แต่ของรับประทานนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่นิยม ท, ทำกันคุณนัทถาครับคนที่พยายามไปถือศีลสวดมนต์ภาวนาตามสามที่ปฏิบัติตา่ตางๆแต่พอออกมาจากตรงนั้นก็ใช้ชีวิตทางโลกไม่ค่อยสงบชอบหงุดหงิดไม่พอใจคนที่ไม่มีแนวคิดเหมือนตัวเองแบบนี้เขาจะหลุดพ้นได้ไหมเขาจะสงบจริงไหมคะการวิปัสสนาของเขาจะสำลิปผลไหมคะ คือเราต้องเข้าใจว่าการไปฏิบัติไปปฏิบัตินั้นันเป็นการไปไปปฏิบัติแค่แป๊บเดียวมันไม่เพียงพอหรอกว่าที่จะทําให้หลุดพ้นบรรลุมรรคผลที่ทานได้เพียงแต่ว่าเป็นการไ ป, ปรไปกลับไปไปทดลองดูไปชิมอาหารอะไรยังไม่ได้กินอาหารจริงๆถ้าจะกินอาหารจริงๆต้องไปปฏิบัติแล้วไม่กลับมาเนี่ยไปเอาป่าเข้าเขาไปนั่นไปปฏิบัติอย่างนั้นนะถึงจะบรรลุทำได้ ถ้าปฏิบัติแบบนี้ก็เป็นเพียงแต่เป็นการไปทดลองหรือไปไปไปทำพอหองฝากขอมคอพอ อ, ออกมาก็ไม่ได้เอาสิ่งที่ไ ป, ปที่ได้ไปปฏิบัติให้เอามาใช้ต่อครับเอานิสยเดิมมาวิธีการเดิมที่เคยอยู่กันไม่ใช่ปลีมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากหมครนะับคุณนันประพาสครับ ผู้ป่วยที่นอนโคม่าไม่รู้สึกตัวแต่ยังหายใจได้เองจิตของเขาอยู่ที่ไหนคะถ้าเราไปพูดข้างๆหูเขาจิตเขาจะได้ยินไหมคะจิตก็อยู่ที่เดิมอยู่เหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่โคมา่าช่วงทด่โคม่านี่ก็อาจจะไม่สามารถรับรู้อะไรได้เพราะว่าเขานอนหลับไปร่างกายมันไม่รับมันไม่รับมันไม่รับรูปเสียงกินรดมันไม่รับรู้มันไม่ส่งรับรูปเสียงกินลดไปให้กับใจ มันอาจจะมีส่วนไหนที่มันล็อกอาไว้ก็เลยใจก็เลยไม่รู้ว่าใครมาพูดอะไรข้าวหูคุณแต้มสีครับทํากรรมใดบ้างคะที่ทาให้เกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเพราะสัตว์บางตัวก็มีจิตใจอ่อนโยนมีความเสียสละช่วยเหลือสัตว์อื่นได้ครับอันนี้ก็ไม่รู้แบบเพิ่งรู้เพียงแต่ข้าวๆว่าถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยอันนี้ก็จะก ไปเป็นสัตว์ในรัชานอันนี้ไหนนี้ก็สุดแท้แต่อันนี้ไม่ไม่สามารถที่จะตอบได้คุณเฟื่องครับลูกดื้อและก้าวราวมากเหมือนเราไม่ใช่แม่ลูกต้องปล่อยใช่ไหมเจ้าคะก็เขาเป็นยังไงถ้าเราสอนเขาไม่ได้ห้ามกขไม่ไ ด, กไได้ก็ต้องทำใจถ้าเรายังสอนได้ยังห้ามก็ได้ก็พยายามสอนไปห้ามไปแต่ถ้าสอนไม่ได้ห้ามไม่ได้แล้วก็ กตตอตอปาามาามเคาคุณสมพรครับโยมเป็นคนชอบซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมือสองหนังสือดีๆที่มีประโยชน์ต่อปัญญาของโยมที่ประกาศขายทั้งเพจโยมรักหนังสือจึงอดใจไม่ค่อยได้ที่จะซื้อหนังสือที่สนใจโยมต้องใช้หลักคิดหลักการอย่างไรดีครับในการชอบซื้อหนังสือขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับ ก็หนังสือมันก็เป็นหนั ง, นงสือก็มีประโยชน์นนั้ให้ความรู้กับเราเพียงแต่ว่าความรู้มันก็มีสองทางด้วยกันทางโลกกับทางธรรมทางาหนังสือทางโลกมันก็ให้ความรู้เกี่ยวกับทางโลกและเราจะใช้ความรู้นี้ไปทําประโยชน์หาเงินหาทองก็ได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะดับความทุกข์ใจนเราต้องศึกษาความรู้ทางธรรม ดังนั้นก็อยู่ที่เราว่าเราถ้าเรายังชอบหนังสืออา่านหนังสืออยู่ก็คนอยอ่านหนังสือธรรมะได้จะดีกว่าหนังสือธรรมะนี้จะให้ความรู้ให้ทำธรรมให้เรารู้จักวิธีดับความทุกข์ที่มีในใจของเราซึ่งหนังสือทางโลกนี้ไม่สามารถที่จะบอก ว, วิธีการดับทุกข์ใจได้คุณสมพรครับโรคซึมเศร้าเกิดจากอะไรครับสามารถรักษาให้หายทางธรรมได้อย่างไรครับ ตามที่เราวิเคราะห์ดูมันซึมเศร้าเพรเกิดอาการสูญเสียเกิดอาการที่ไม่ได้สิส่งที่เราอยากได้หรือสูญเสียสิ่งที่เรารักไปมันก็เลยทําให้เกิดเราเปิดความเศร้าขั้นมาแล้วถ้าเราเจอ บ, บ่อยๆเข้าทําอะไรก็มักจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้มันก็ยิ่งผิดหวังมันก็ยิ่งเศร้าขนไปเรื่อยๆในที่นนสุดมันก็เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้วิธีแก้ก็คือต้อง พยายามทําใจให้สงบก่านให้ใจหยุดหยุดความอยากได้นู่นสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ให้ใจให้ยินดีตามมีตามเกิดสันโดษอย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ยินดีตามมีตามเกิดมันจะเป็นยังไงก็รับรับรับสภาพไปรับความจริงไป ความเศร้าใจกับทุกข์ใจก็ยังไม่เคิคุณบัวขาวครับการเรียนพระอาจารย์ขอคำแนะนาําเมื่อมีคนหรือสัตว์เลี้ยงป่วยหนักเราควรพูดกับเขายังไงครับก็ไม่รู้ทำไมเร า, ารต้องไปพูดกับขอขอเขาด้วย่ะเราไม่รู้ก็เฉยๆบ้างไม่ได้เลยครับเราไม่รู้จะพูดอะไรก็เฉยๆไปถ้าจะให้ทำยังไง คุณวิไลครับบอกว่าอยากสอบถามว่าเวลาเจอพระมาบินธบาตแล้วเราใส่บาทนั่งลงพื้นใส่พระให้พรเราทําถูกต้องยังไงครับยังคะหรือให้เรายืนใส่บาทแล้วยืนรับพรครับก็ได้ทั้งนั้นนะครับเราเะาจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้แต่ไม่ทราบบางแห่งเข้าไปอ้างข้อวิจัยข้อไหนไม่ทราบว่าพระยืนโยมต้องยืนด้วยหรือพระพระนั่งโยมต้องนั่งด้วยหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ซึ่งเราก็ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ถนัดทางด้านพระวินัยนี้มากโดยโดยหลัตกตรกะธรรมดาทั่วไปนะมันก็ไม่เสียความเคารพหรอกถ้าเรามีความอ่อนน้องจะยืนรับก็ได้จะนั่งรับก็ได้ ต, ตอนนี้โยมฟังธรรมอยู่นี่นอนฟังธัรมก็ได้ <c oughs> พระอาจารย์ครับสมัยที่บินทาบาทกับองค์ต่างนี้ก็ระหว่างบินาบาทนี้ไม่ได้ให้พรใช่ไหมครับอ๋อ ไ, ไม่หรอกทางสายปฏินทบาทเราไม่ได้ให้พรเพราะมันไม่ใช่เวลาที่จะให้พรครับอันนีไ้ไม่ทราบมันมาทํากันอะไรในยุคหลังๆนี้โดยเฉพาะพระในเมืองที่พระบวชใหม่แล้วก็ถูกพระที่ไม่รู้เนี่ยมาสอนให้ทํามันก็เลยทำกันตามกันมาแต่โดยทํามเนียปฏิบัติในเรื่อการบินทาบาท้ไม่มีการให้พร ให้มีการหยุดให้พอกินอยู่ในวันคนต้องใส่ตัง้งสี่ห้าร้อยคนไปนั่งให้พอยืนให้ย่าทานกี่เปนร้อยครั้งนี่มั น, มนเมื่อไหร่จะได้กลับวันเลยครับท่านตอนพท่านไม่ได้ไปวินตบาบ่าเลยว่าคนคนจะถ่ายบอกร้อยลงมากเลยครับอาจารย์ก็ไม่ทราบในเรื่องช่วง น, น, นี้ก็ประเด็นจะ เ, เป็นช่วงที่คนไม่ค่อได้ใส่บาทกันได้ ครับผมแล้วรพระอาจาย์กลับมาใส่บาทปกติได้ยังครับก็ประมาณเท่าเดิมนะเท่าที่ไปใส่ถ้าเป็นวันพระก็สามร้อยขึ้นไปสาวที่ก็สองร้อยสองร้อยกว่าก็เหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างกันมากคุณเป๊ปครับหากเปิดทุกขเวทนาจากอาการเจ็บป่วยจะต้องวางจิตยังไงครับหากเกิด ทวกเวทนาจากการเจ็บป่วยต้องวานจิตยังไงครับให้จดจ่อที่คาบริการพุดโทรหรือมาดูการเกิดดับของเวทนาครับคื อ, เ, อเป้าหมายก็คือเราอย่าไปทุกข์กับทุกขเวทนาคือใจเราอย่าไปอย่ากเกิดอาการทรมานไปกับความเจ็บป่วยของทางร่างกายให้เราเป็นเหมือนกับว่าไม่ไม่เหมือนกับทําใจเหมือนกับตอนที่ไม่ร่างกายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคือเป้าหมายของการปฏิบัติ รักษาใจเราให้เป็นปกติแล้วรักษาด้วยวิธีสติก็พยายามพุโทโธพุโทโธถ้าใจเราเริ่มไม่ปกติละถ้าใจเราเริ่มเครียดเริ่มวิตกเริ่มกังวลเริ่มอะไรเรกาก็พยายามระงับมันด้วยการใช้ทำบริกรรมพุโทโธพุโทโธให้มันนิ่เฉยๆให้ได้ท่นเองถ้ามันถ้าใจเราเฉยๆไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องทาอะไร คุณสมพรครับโยมใส่บาตรพระเสร็จก็จะเข้าไปช่วยในโรงฉันร่วมประเคนอาหารพระสงฆ์ที่เป็นของส่วนกลางอาจไม่มีอาหารของโยมที่ได้ร่วมใส่บาตรในตอนประเคนอาหารการประเคนอาหารพระภิจูสงโยมได้รับอนิสงค์อย่างไรบ้างครับก็ได้ได้การบุญที่กิดจากการรับใช้ช่วยเหลือกู้นั่นเอง คุณวันเพ็ญครับสามารถฟังธรรมะในห้องน้ําได้ไหมคะเช่นขณะอาบน้ําหรือซักผ้าครับถ้ารทำจริงๆแล้วคนจะนั่งเฉยๆไม่คนทําภารกิจอะไรถ้าอยากจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำธรรมคนจะนั่งเฉยๆกายว่าจะใจต้องสงบกายนั่งนิ่งเฉยๆว่าจะต้องไม่พูดคุยออกไปใจก็ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้จดจ่ออยู่การฟังธรรมเพียงเดียว อันเป็นวิธีเวลาทำตามที่ถูกต้องที่จะให้ประโยชน์ที่สูงสุดคุณสมพรครับวัดป่าบ้านตากมีการถือศีลแปดมีการปฏิบัติธรรมสำหรับคารวาสหมายถึงการไปถือเนคขมั่งถือศีลแปดมีการปฏิบัติเฉกเช่นเหมือนที่วัดยานหรือเปล่าครับโยมไม่เคยไปวัดป่าบ้านตากครับมีเหมือนกันแหละใครอยากจะไปอยู่วัดถือศีลแปดก็ไปอยู่ได้ต้องติดต่อกับเจ้าอาวาสแต่ว่ามีที่ว่าบหรือเปา ถ้ามีธรรมดีให้อยู่ไปอยู่ได้คุณปุ้ยครับก่อนเรานั่งสมาธิเราควรอธิษฐานจิตก่อนเสมอหรือไม่คะเช่นเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้มีสติก่อนหน้านี้ปุ้ยนั่งสมาธิเพื่อได้สมาธิตอนนี้สงบตามอัตภาพแต่ได้ยินว่านั่งสมาธิไม่ใช่เพื่อความสงบครับไม่ต้องเรอ ก, การอธิษฐานมันไม่ไม่ได้ไม่ทำให้เกิดผลเช่นว่า การที่ทาให้มันเกิดผลก็คือการปฏิบัติของเราถ้าเราต้องการให้ใจสงบก็ให้เรามีสติอยู่กับอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับอามหายใจหรือกับพุทโธไปใจก็จะสงบได้การนั่งสมาธิก็นั่งเพื่อให้สงบไม่ได้นั่งให้เพื่อให้เกิดปัญญาแตา่อย่างไดนราใ่้ใจนิ่งให้สงบให้ใจมีวความสุขจากความสงบส่วนปัญญานี้เราต้องใช้การพิจารณาทะลึก พิจารณาทําชนอนิจจังว่าอะไรเป็นอนิจจ์มากไม่เที่ยงร่างกายเที่ยงไม่เที่ยงอะไเนี่ยนี่คือการเจริญปัญญาใช้การวิเคราะห์วินวิเคราะห์ภาะในท่าของอนิจจ์ของทุกข์ขังอนัตตาแอาจารย์ยังอยู่ปกตินะครับผมเห็นภาพก็อยู่น ะ, ะเห็นภาได้ได้ครับอาจารย์ครับ หรืออาจจะเป็นเพราะเมา เ, เ, เรามันต้องขยับเม <Geez. S 1> าคนหนึ่งไปทราบไปไปตั้งค่าให้มันถ้าไม่มีการขยับเมาใหม่ใหม่ก็เลยก็เลยปิดปิดจอคจต้องไปดูที่ตั้งค่าครับจากคุณสมพรครับการปล่อยปลาน้ําจืดการปล่อยหอยขมได้อานิสงค์อย่างไรบ้างครับก็ <S 1> <S 1> ได้ช่วยชีวิตของผ้วยก็ได้ก็เป็นการทำบุญ อางซึ่งอาจจะได้ที่สองคือต่อไปเราเกิดไปเป็นหอยขึ้นมาก็อาจจะมีคนมาช่วยปล่อยเราอันนี้จูกลงนอกแกงเขาก็มีคนมาช่วยถ่ายชีวิตเราให้ไปอยู่ต่อไปได้ทำอะไรได้ยังไงก็ได้ยังงั้นกลับคืนมาแล้หละคิดอย่างนี้ก็มันง่ายๆคุณต้องครับผมเลี้ยงปลาไว้แล้วมีคนมาขอปลาในบ่อเพื่อจับไปกินผมจะบาปหรือไม่ครับ เเขามาขอถ้าคุณให้เขาก็บาปเลยคุณก็อนุ ญ, ญาตให้เขาฆ่าคุณก็ต้องบอกไม่ให้แต่เพราะว่าคุณไม่ต้องการให้เขาฆ่าคุณไม่ได้เรียกว่าให้เขาฆ่าแต่ถ้าคุณยินดีพัฒดาว่าคุณก็มีส่วนเรื่องการทําให้เ้าเสียชีวิตคุณจุไรลัตครับจริงหรือไม่ครับที่วันพระสามภเวสีทั้งหลายจะออกมารับผลบุญจากการทําบุญครับ ไม่หรอกมันเป็นความเชื่อเฉยๆธรรมประเีมันไม่มีวันภาาวันโกนวันอะไรหรอกถ้ามันเป็นวิญญาณที่ล่องลอยที่จะคอยหาบุญมันก็ล่องรอยไปรอหาบุญของมันไปเรื่อยๆคุณแพทครับการใช้ธรรมโอสถ ด, ด้วยการนั่งสมาธิเป็นการแยกจิตออกจากกายหรือเปล่าคะ ทำค่อนข้างยากนะคะที่จะให้ใจหยุดคิดฟุ้งซ่านเรื่องกายต้องท่องพุทโธช่วยใช่ไหมครับเกิดทำให้ใจปล่อยวางร่างกายและเชื่อข่าวเวลานั่งสมาธิใจก็จะเป็นอุเบคาวางเฉยกับอาการต่างๆของร่างกายจะไม่รู้สึกเดือดร้อนร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ก็จะเฉย คุณปัตธรรมาวดีครับโรคทุกโรคสามารถปฏิบัติธรรมใช้ธรรมโอสถได้ใช่ไหมเจ้าคะเวทนาใช้รักษาใจได้กับทุกโรคแต่ไม่สามารถไปรักษาโรคทางร่างกายได้เข้าใจก่อนโรคทางร่างกายก็ต้องอาศัยหมอมาศัยยาแต่ความทุกข์ทางาใจเนี่ยสามารถดับมันได้ด้วยธรรมโอสด คุณนภารครับสอบถามสภาวาธรรมค่ะนั่งสมาธิรู้สึกตัวพองจะระเบิดแต่ไม่สนใจปล่อยไปสักพักหายและรู้สึกไม่มีตัวตนสักพักก็หายแล้วต่อมาเจ็บขาพิจารณาเจ็บนองแล้วหายขอคําแนะนําพระอาจารย์เผื่อปฏิบัติต่อค่ะก็ดีแล้วเหี่ก็ปฏิบัติไปมันให้ให้เห็นว่ามันมีเกิดไมีดับจะมันามหายไปก็หายไปถ้ามันไม่หายก็ต้อง ไปมันไปอยู่กับมันไปท่านเองคุณสมพรครับก่อนการใส่บาตรพระในตอนเช้าต้องอธิษฐานก่อนใส่บาตรหมครับต้องอธิษฐานกันอย่างไรครับการอุทิศบุญกระทำหลังจากพระกล่าวยาถาจนถึงสัตพีจึงอุทิศบุญไม่ใช่อุทิศบุญตอนใส่บาตรเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกครับการอุทิศบุญนี้ไม่จาเป็นจะต้องมีพระมาสวดให้กําล พอเราทําบุญเสร็จแล้วเรามีบุญในใจแล้วเราก็อุทิศได้ด้วยการเราเลือกภายในใจเป็นไงว่าขอาอุทิศส่วนบุญนี้ให้กับท่านท่านท่านนี้ไปโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำใช้อะไรเลยใช้แต่ความคิดของเราท่านเองพอเราทําบุญเสร็จปั๊บเราเมีจายเงินแล้วใส่บาตรเสร็จปั๊บแล้วก็นึกในใจว่าวันนี้ได้ทําบุญได้มีความสุขใจที่เกิดจากการทําบุญขออุทิศความสุขใจนี้ให้กับผู้ที่ร่วรับไปแล้ว คราวนี้ก็เสร็จแล้วส่วนอธิษฐานนี่มันอธิษฐานภาษาที่โยมใช้กับอธิษฐานของพระมันคนละความหมาย ก, กันอธิษฐานที่โยมใช้มักจะเป็นแปลว่าขอขอให้ได้นู่นขอให้ได้นี่ทำสายบานแล้วขอให้ไปนิพพานขอให้ไปสวรรค์นี้เป็นต้นถ้าจะถ้าอธิษฐานแบบนี้ไม่ต้องอธิษฐานแร้วเพราะว่ามัน ม, มันจะได้ไม่ได้มันไม่ไดไ้อยู่ที่การขอมันอยู่ที่การกระทําของเรา ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เออทําุญทำทางนไปสวรรค์ได้นะขอแล้วไม่ขอมันก็ไปไหมือนับไปชื่อตั๋วขึ้นขึ้นเครื่องเนี่ยไม่ต้องไปขอหรอกมันจะขอไปขึ้นเครื่อง ไ, ไปนู่นแบบนี่ถ้ามีตัวถึงเวลาก็เรียนขึ้นเครื่องไปได้เลยส่วนอธิษฐานที่แท้จริงที่อยู่ในบ ร, รมีสิบนี่มันแปลว่าความตั้งใจอันนี้เราต้องมี ทุกครั้งที่เราจะทําบุญนี้ก่อนที่เราจะทําทําบุญเราต้องตั้งใจก่อนใช่ไหมเราต้องคิดไว้ล่วงหน้าก่อนใช่ไหมเดี๋ยวพรุนี้ใส่บาตรนะอันนี้หละเรียกว่าอธิษฐานนะความหมายของอธิฐานหมายถึงอย่างนี้หมายถึงความตั้งคิดตั้งใจไว้ล่วงหน้าก่อนที่เราจะไปกระทําอะไรเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจไว้ก่อนเราก็จะไม่ไปกระทําช่ไหมดังนั้นบางทีเราต้องบังคับตัวเราด้วยกันด้วยการอธิษฐานถ้าเราไม่อธิษฐานไว้ พอถึงเวลาเราก็จะไม่ไปทำํำแต่ถ้าเราอธิษฐานว่าพรุ่งนี้เราต้องสัตตื่นมาใส่บาตรนะพ อ, อตอนเช้าถึงเวลาก็ต้องรีบตื่นขึ้นมาเพราะเราตั้งใจเวลาเราอธิษฐานไปแล้วแต่ถ้าเราไม่อธิษฐานนี่พรุ่งนี้พอตื่นขึ้นมาเราก็นอนต่อก็ได้ไมทำอะไรต่อก็ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจเราจะไปทําทําอะไรที่เราได้ตั้งใจเอาไว้นั้นการอธิษฐานนี่มีไว้เพื่อบงังคับให้เรา ไปทำกิจที่เราควรจะกระทำซึ่งปกติถ้าเราไม่มั่งค้ามันมักจะไม่ทํากันท่านเองถึงต้องมีการอธิษฐานคุณแต้มสีครับคนที่บวชเป็นแม่ชีคงแทบไม่ได้ทําทานเลยใช่ไหมคะเป็นพระยังพอเอาอาหารที่คนใส่บาตรแบ่งปันให้คนอื่นได้แต่เป็นแม่ชีคงแทบไม่มีเงินโดยสิ่งใดติดตัวกลัวชาติหน้าเกิดมาจนหรือมีฐานะแล้วกลับกลายเป็นจนเพราะทําทานไม่สม่ําเสมอครับ ไม่ต้องกังวลหรกถ้าสามารถบวชชีได้นี่ได้บุญสูงกว่าการทำบุญทาทานเลยให้ไปสวรรค์ชั้นพรอย่างน้อยเนียไม่ต้องกังวลคุณไก่ครับไปหาหมอรักษาทุกครั้งจะกลัวและตื่นเต้นมากแก้ไขยังไงคะคก็พูดโทรพูดโทรไปเวลาที่เกิดอาการตื่นเต้นต ก, กงงใจกลัว อ, อยาาบรริกพุทพทธไ ป, ไปในใจคุณออนอนงค์ครับกลาวหนัสักก า, า, าร์ดพระอาจารย์ขออนุญาตเรียกถามวันนี้มีคนบอกว่าอย่าไปร่วมบุญสร้างเสนาสนะสร้างกุฏิสร้างศาลาเป็นการฆ่าสัตว์ในพื้นดินผิดศีลข้อหนึ่งโยมขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ในสิ่งที่บุคคลนี้บอกส่วนตัวโยมมองว่าการผิดศีลข้อหนึ่งต้องมีเจตนาฆ่าเขาจึงผิดศีลถูกหรือไม่คะ อย่างนี้นก็ไม่ต้องสร้างอะไรเสร็จสร้างไม่ได้แล้ววัดก็สร้างไม่ได้อะไรก็สร้างไม่ได้เพราะมันจะไปฆ่าสัตว์ที่อยู่ในดินบมดอันนี้ก็เป็นเรื่องสุดโตกความคิดแบบสุดโตกนะก็ถ้าเรามีความจาเป็นจะต้องสร้างอะไรเราก็สร้างไปส่วนสัตว์ที่มันจะอยู่ในดินมันเราไม่มีเจตนาที่จะไปตั้งใจจะไปทำได้มันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องกรรมของมันไปก็แล้วกัน แต่เราไม่ได้ไปกระทําบาปเพราะเราไม่มีเจตนามีความตั้งใจที่จะไปทาทําร้ายทับไรอย่างไรคุณอนัญญาครับเวลามีมดมแมลงต่างๆเข้ามาในบ้านเราเจตนาเราไม่ต้องการใช้ยาฆ่ า, า, มาแมลงแต่มดดำมาจำนวนมากจะหลีกเลี่ยงบาปและขับไล่พวกมันอย่างไรคะก็ะหาวิธีการเ่ยเขามีช็อคที่เราสามารถขีด เวลาเวลามีทางที่มดเดินผ่านตรงไหนที่ทางเดินของมดแล้วก็เอาช่องไปขีดกั้นไว้หมพอมันได้กิ่งที่ช่องที่เราขีดมันก็จะถอยมันก็จะไม่มันก็จะไม่ไม่มาคุณพรพิมลครับขอความเมตตากับเรียนถามพระอาจารย์มนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทางเดินชีวิตได้ แต่เดินทางผิดได้แต่โทษโชคชะตาฟ้าฤกษ์ิดอย่างนี้ถือว่าผิดไหมเจ้าคะคือชีวิตของเรานะอยู่ที่การกระทําของเราเป็นหลักดีเชื่ออยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราทําดีชีวิตเราก็จะเดินทางไปในทิศทางที่ดีถ้าเราทำเชื่อมันก็จะเดินทางไปในทิศทางที่ไม่ดีนี่คือกฎแห่งกรรม คุณจีครับการบูชาพระพุทธรูปที่บ้านด้วยทูปเทียนไฟฟ้าสมควรไหมครับก็ทำได้ไม่ไม่ไม่ไม่มีข้อแต่วิการบูชาที่ดีที่สุดก็คือการบูชา้วยการปฏิบัติบูชาเช่นนักษาศีนั่งสมาธิ่เี้ยจะดีจะดีกว่าการบูชาด้วยทูปเทียนอะไรต่าง คุณสมพรครับตอนนี้อากาศร้อนมากๆโยมเลยนอนบนพื้นห้องเฉยๆไม่มีผ้าปูผ้านุม ใ, ใดๆเพราะอากาศร้อนทีนี้ทําให้นึกถึงว่าจะถือปฏิบัติถือศีลแปจากการนอนพื้นเอาดีจากการที่อากาศร้อนแต่อาจจะต้องไปปรับเรื่องเวลาทานอาหารให้แล้วเสร็จภายในเที่ยงหรือก่อนบ่ายโมงแต่ยังจําเป็นต้องทานอาหารสองมือ้อเพราะยังต้องทํางานต้องใช้แรงในการทํางานอย่างนี้โยมสามารถประยุกต์ในการถือศีลแปดเฉพาะยิ่งในวันพระก็ยังดี พอจะได้พอจะถูกทางหรือเปล่าครับก็ดีทำเท่าไหร่ทาได้เท่าไหร่ก็ทำไปดีกว่าไม่ทำคุณวิไลครับตอนนี้เวลาเดินออกกำลังกายตอนเช้าเดินหนึ่งหมืนเก้าจะต้องพุทธโทรสลับกับอิติปิโสครึ่งชั่วโมงต่อมาจะฟังคำเทศของพระอาจารย์จนเดินครบหนึ่งหมืนเก้าแบบนี้ทำได้ไหมคะได้จะทำทาก็ทำไปเดิน ไปดูที่ผลที่เกิดจากการกนระทำว่ามันทำให้ใจเราสงบหรือไม่สงบคุณนัทถาครับเราทำบุญเมื่อมีโอกาสเป็นเจ้าภาพบวชบรรพชาสามาัคคีโดยการถวายเงินแต่ไม่ได้ไปร่วมงานฝากเงินไปทำบุญเราได้บุญไหมคะได้ได้บุญแล้วถ้าเราบริจาคไปเราก็ได้บุญ อาจารย์ครับมีคนถามบอกว่าที่บริจาคไปกับพระแล้วพระอ่าไม่มีศีลไม่มีธรรมอย่างนี้ได้บุญเขาเสียใจว่าเขาบริจาคไปอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเราได้บุญเราก็ยังได้บุญอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าผู้ที่รับไปนั้ยเขาอาจจะไปทําทํางานตัวเขาเองถ้าเขาไปทําในสิ่งที่เสียหายอันนี้เป็นคนละส่วนกันส่วนของรู้ให้ก็คือการบริจาคส่วนผู้รับนี่จะไปทําประโยชน์และทําไปโทษก็ได้ ผลก็จะยกับผู้ที่ผู้ที่กระทำมันนั้นมันไม่เกี่ยวกับผู้บริจาคผู้ให้คนละส่วนกันไม่ต้องให้กังวลคุณแต้มสีครับหากประสงฆ์บางรูปไม่มีเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวเลยแต่ต้องการซื้อของบางอย่างไว้ใช้ส่วนตัวและเป็นสิ่งจําเป็นเช่นแว่นตารองเท้าอย่างนี้พระสงฆ์รูปนั้นเขาจะขอเงินจากทางวัดได้หรือเปล่าคะ ก็ขึ้นอยู่กับนยันยยนัยโายทางวัดว่าเขามีกติกายอย่างไรก็แล้วแต่คุณอุงุ่นเปรี้ยวครับดิฉันป่วยต้องทำซีทีสแกนกลัวมากต้องนั่งรอใช้เวลาทาั้งๆที่กลัวเขาห้ามกลืนน้ำลายได้พยายามสวดมนต์แต่สับสนมากเลยบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อเอาชนะกิเลสความกลัวได้ผล ได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทอย่างนี้พอถูกไหมเจ้าคะถูกก็พยายามทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆคุณโทระครับนั่งสมาธิแต่ไม่ได้พิจารณาอสุภะเห็นร่างกายตัวเองเป็นโครงกระดูกอันนี้คืออุปทานหรือเปล่าคะมันก็จะเป็นอุปทานหรือไม่ก็ไม่สําคัญสําคัญว่าเห็นหรือไม่เห็นมากกว่าถ้าเห็นโครงกระดูกได้มันก็เป็นเป็นภาพที่ดี ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เราก็พยายามให้มันเห็นเป็นนานๆเห็นบ่อยๆเห็นมาก่าพรามันเป็นปัญญาเห็นการเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆของรางกยนี่เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาคุณออนอนงค์ครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์อีกข้อค่ะมีการพูดว่าการให้ธรรมทานเป็นทานอันสูงสุด จึงไม่ควรไปส่งเสริมการสร้างเสนาสนะสร้างกุฏิสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเป็นต้นเพราะไม่ใช่การให้ธรรมทานไม่ใช่การจันร์ลงพุทธศาสนาขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่าความเห็นข้างต้นถูกต้องหรือไม่คะมันสุดโตอ่อ่ะคือมันเราก็ต้องดูความจําเป็นว่าควรจะให้อะไรด้วยแม้งงว่าการให้ธรรมะมันเป็นการวิเศษที่สุดแต่ถ้าให้ธรรมะแล้วไม่มีข้าวกินนี่มันคนที่ เอาธรรมะไปก็ไม่มีเรี้ยวมีแรงที่จะไปปฏิบัติทําได้มันก็ต้องดูความจำเป็นว่าผู้รับนี่เขาขาดแคลนอะไรด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะว่าจะให้ธรรมะอย่างเดียวเจอขอทานก็ไอ้อยางเงนเลยเอาธรรมะไปดีกว่าที่เวหนังสือธรรมะไปให้อ่านักเล่นอย่างนี้มันมันก็มันไม่มีเหตุมีผลเข้าใจมันแบบสุดโ ต, ต่งแบบมันต้องดูว่าการผู้ที่จะรับธรรมะได้นั้น เขาอยู่ในสภาพอย่างไรเขาพร้อมที่จะรับธรรมะหรือเปล่าถ้าเขาไม่พร้อมแต่แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรของเขาเพราะยังไม่มีศักยภาพที่จะเอาธรรมะที่เราให้ไปทําประโยชน์ให้กับตัวเขาเองได้และเมื่อตอนนี้เขายังขาดนู่นขาดนี่ขาดที่อยู่อาศัยขาดเสื้อผ้าอะไรทํานองนี้เราก็ต้องพิจารณาดูความจําเป็นก่อนว่าเขาขาดแคลนอะไรการให้มันต้องมีหลายมิติด้วยกัน ไม่ใช่ยึดแต่มิติออทฤษฎีว่าโอ้ให้ธรรมะเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดอยากไปใหอ้อย่างอื่นเลยอย่างนก็ไม่ต้องใส่บาทภาษ์อหนังสือธรรมะเวลาพามาก็าหนังสือธรรมะใส่บาทภาษ์ไปคุณอนัญญาครับสมมุติว่าเราแยกขา้นแยกขันได้แล้วเราเลือกละสังขารจากหนีจากทุกขเวทนาให้ไปเร็วกว่าอายุขัยจิตจะไปดีไหมคะ เราห น, นีไม่ได้หรอกวิทุกขาวมทนาเราต้องฝึกอยู่กับมันไปจงกว่ามันจะหนีละจะจนกว่ามันจะหนีจากเราไปเองแต่เราไม่มีหน้าที่ที่จะหนีจากมันเรา ม, มีหน้าที่ที่จะอยู่กับมันฝึกหัดอยู่กับมันแล้วก็ให้มันอยู่ไปจนกว่ามันจะหมดลมหายใจไปของมันเองอย่างนี้เราจะไปดีเราจะไปนิพพาน คุณวิไลครับเวลาไปใส่บาตรที่วัดไม่ได้กรวดน้ําจําเป็นต้องกลับมาบ้านกรวดน้ํำไหมคะไม่ต้องเราไม่ต้องกรวดนะการอุทิศบุญนี้อุทิศในใจได้เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำบุญเสร็จแล้วเราก็ตั้งสติแล้วก็ก็อุทิศขึ้นไปแล้ลึกภายในใจว่าจะขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ไปก็สําเร็จประโยชน์นะคุณอัชลาครับ วันที่ท่านเทศวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดถ um anyway, ้าลูกทํางานในหน้าที่ไปด้วยคือเข้าเวรกะหลีกเลี่ยงงานไม่ได้ทํางานไปฟังเทศไปได้บุญไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ว่าได้ได้ได้ได้ผลมากน้อยเท่าไหร่ไงบุญเกิดจากผลที่เราจากการฟังทำฟังแล้วเราได้ธรรมะเราได้ความเข้าใจได้ปัเราก็จะได้ปัญญาถ้าฟังแล้วใจเราสงบเราก็จะได้สมาธิมันก็อยู่ที่ผล ของการฟังว่าเราฟังแล้วได้ผนอะไรหรือเปล่าคุณสำรวยครับสมาธิไม่คาดหมายเหมือนมีใครมาใส่ให้เกิดขึ้นว่างชั่วขณะจากความสุขความว่างความสุขความทุกข์ว่างจากอารมณ์ต่างๆสมาธิแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเออมันเกิดขึ้นจากการที่เราอาจจะมีสติอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว อยู่ในช่วงจังหวะที่ใจเราไม่มีเรื่องเวลาที่จะให้คิดมันก็เลยว่างขึ้นมาสักพักหนงก็ได้แต่มัน ม, มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆเรื่อยๆ อ, อันนี้มันเป็นเรื่องของภาวะแบบแบบไม่คาดฝันคุณสุภาพรณครับนั่งสมาธิวันนี้มีอาการเหมือนร่างกายมีพลังบางอย่างไปทั่วทั้งตัวรู้สึกดีมากคะ่ะ ตอนนั้นรู้สึกได้ว่าทั้งตัวเรามีแค่ผู้รู้คือเราจริงๆค่ะแบบนี้เรียกว่าอะไรเจ้าค่ะไม่รู้เหมือนกันมันทำไมต้องไปรู้ว่ามันเรียกว่าอะไรรู้ต่ามความันจริงที่มันเกิดขึ้นก็พอรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าดีก็รับมาทำต่อไปคุณทัตติครับ การเจริญปัญญาควรเจริญในสมาธิหรือควรออกจากสมาธิแล้วเจริญปัญญาและการเจริญปัญญาที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรบ้างครับต้องเจริญหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วหรือขณะที่ไม่ได้ทําสมาธิหรืออยู่ในสมาธิการเจริญปัญญาไล่พิจารณาร่างกายเราเป็นอันดับแรกก็ได้ว่าร่างกายเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนสุขหรือทุกข์ให้เราพิจารณาตายลัก ดูคุณลักษณะของร่างจายว่ามันเป็นของเที่ยงมันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงเราก็อย่าไปยึดไปติดกับมันเพราะเราไปยึดไปติดเราก็อยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันมีมีกำลังวองชาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราไปยึดไปอยากให้มันไม่เที่ยงมันก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจกับร่างกายเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของความไม่เที่ยงของร่างกาย ก็ปล่อยให้มันแก่ไปเจ็บไปตายไ ป, ต า, ยไปตามสภาพของมันอันนี้คือการพิจารณาทางปัญญาให้เราปล่อยวางปล่อยวางร่างกายให้ได้คุณปริตตี้ครับถ้าสร้างพระพุทธรูป ก, กับพิมพ์หนังสือสวดมนต์สิ่งใดมีอันยิ่งงมากกว่ากันคะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน ก็แล้วแต่เราไม่ไม่อยากจะพูดเรื่องราวเหล่านี้มากเกินไปเพราะมันมันไม่ค่อยมีคุณมีประโยชน์อะไรกันเท่าไหร่ครับคุณอยากจะทำแบบไหนก็ทำไปแล้วกันอยากจะสร้างลือ ก, ก็สร้างไปอย่างคุณพัชรินครับทำไมหนูนั่งสมาธิไม่เคยจิตรวมเลยครับสติเรามีกำลังน้อย นั่งแล้วใจเรายังลอยไปลอยมายังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็เลยไม่รวมต้องไม่คิดอะไรเลยมันถึงจะรวมคุณไกลครับตื่นนอนตอนเช้าแล้วสวดมนต์และโอนเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ทุกวันตามที่คุณหมอวีแนะนำได้บุญไหมคะได้ได้คุณออนอโนองครับ กราบขอบคุณอ๋อนี่ขอบคุณครับคุณวิพณีครับเราทําบุญแบบโอนเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลศิริราแทนการใส่บาตรจะได้บุญเหมือนกันไหมคะได้ได้ไดไดคุณสมพรครับในการพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในที่ทํางานทําเพื่อองค์กรเป็นหลักต้องใช้วิธีการพูดอย่างไรในที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมมีความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด ต้องใช้หลักคำข้อใดครับใช่หลักเหตุผลไงใช่หลักตักหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองย่างเงี้ยไม่ใช่พูดโมเมนต์หนึ่งบหนึ่งเป็นร้ออย่างเงี้ยคนฟังก็จะงงใช่ไหพูดตามหลักความเป็นจริงพูดตามหลักเหตุผล คุณกันละนันครับหลังจากเราถวายพระตาหารแล้วเมื่อพร ะ, ะท่านฉันเสร็จแล้วอาหารที่เหลือเรานำกลับมากินต่อที่บ้านและบางส่วนแจกผู้อื่นเราได้บุญหรือบาปคะก็อยู่ที่ว่าอาหารที่พระท่านที่เราถวายพระท่านให้ให้เราคืนมาหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่เพาของที่เราถวายพระนี่มันเป็นของพระแล้วแต่ถ้าพระท่าน ท่านแบ่งส่วนหนึ่งไว้สําหรับท่านฉันเองแล้วส่วนที่เหลือท่านก็เอาให้มาให้ญาติโยมมาจา่จ่ายมาแบ่งกันกินอย่างนี้ก็ก็ไม่บาปแต่อย่างใดแต่ถ้าถ้าไม่ได้ให้เราแล้วเราไปเอามาอย่างนี้มันก็ถือว่าบาปแปเอาของไปเอทัพย์ของผู้ของของผู้ที่เขาไม่อนุญาตให้กับเรา คุณเจสฎาพรครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อก่อนเวลาทําบุญจะชวนผู้อื่นทําด้วยเพราะเคยได้ยินมาว่าเกิดมาจะได้มีกัลยะาณมิตรถ้าทําคนเดียวจะไม่มีเพื่อนจริงไหมคะแต่เดี๋ยวนี้จะทําคนเดียวค่ะเพราะเกรงใจไม่กล้าชวนบ่อยๆเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะเต็มใจหรือไม่ค่ะไม่หลอกการจะมีมิตรไม่มีมันอยู่ที่ความเมตตามากกว่าถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะมีคนที่รักเรชอบเรามากเพราะเราทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้อื่น คนที่มีเมตตามักจะทำเสียสละแบ่งปันนั้นคนที่เสียสละแบ่งปันนี่มากจะเป็นคนที่ไม่มีใครรังเกียจดังนั้นถ้าอยากจะมีมิตรเยอะเข้าพยายามมีความเมตตาเยอะๆพยายามเสียสละแบ่งปันคุณชมพูครับ ถ้ารู้ถ้าเรารู้สึกไม่เข้ากับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานมีคำแนะนำให้ปัญหาเบาบางในทางธรรมได้ยังไงบ้างคะก็พยายามอย่าถืออย่าถืออัตตาตัวตนใช้ใช้อาศัยหลักของการฟังฟังผู้อื่นมากแล้วก็ยอมยอมรับเหตุผลของผู้อื่นอย่าคิดว่าเราจะต้องถูกหรือต้องทำตามที่เรา คิดสมอเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันมันก็ต้องเหมืนกับประชาธิปไตยก็ต้องมีการลงมติใช่ไหมดูว่าเราลงมติแล้วออกเสียงออกไปทางไหนเราก็ต้องยอมรับกับมติอันนั้นคุณพริตตี้ครับฟังเทศพระจา์าปล่อยวางการเจ็บของร่างกายเดี๋ยวนี้เจ็บก็ดูมันไปเราเป็นผู้รู้ใจไม่ทุกข์ด้วยมีธรรมทุกน้อยลงจริงๆเจ้าคะ่ะ รายงานนะครับรคุณสายธรรมครับถ้านั่งสมาธิแล้วตัวแข็งแข็งแต่มีสติรู้ตัวอยู่ต้องทำยังไงต่อคะไม่เป็นไรแนะล้วก็รู้เฉยๆไปก็ทนั่งนั่งต่อไปแต่อย่าคนไม่ควรนั่งเฉยๆควรจะนั่งดูลมือควรจะนั่งพุโทโธพุโทโธไปพระอาจารย์ครับวันนี้ เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งครับพระอาจารย์คนมาฟังน้อยคำถา ม, มคำถามหมดแล้วครับพระอาจารย์ครับเขาไม่เป็นไรแล้วก็เลือกเลยหน่อยก็ได้เขาจะได้ไปรีบฟังผลเพราะวันงไม่มีกจรกจิกกระจายที่จะเาฟังธรรมะ ก, กันเท่าไหร่เครับพอดีนี่ ม, มันก็ร้อยสี่มันก็พอดีสองปีพอดีนะห้าสิบสองคูณห้าสิบสองก็ใช่ไหม ใช่ครับอาจารย์รอบพอดีครบรอบที่คุณหมอเริ่มเริ่มเริ่ม ม, ม, มาสนทนาธรรมในเดือนพฤษภาพอดีะกลางเดือ น, นใช่ครับอาจารย์ทนนันได้ในวันที่เท่าไหร่ครับแา่ยี่สิบครับอาจารย์ครับอ๋อยี่สิบพฤษภายี่สิบพฤษภาครับก็ก็เนี้ยก็เกือบครบแล้วอาทิตย์หน้าก็อีกรอบหนึ่งครั้งหน้าเราก็เป๊ะเลยครับอาจารย์ในครังหน้า ตรงกับวันที่ยีิบเอ็ดครับอาจารย์ครับ <Ừ. S 2> ก็สองปีพอดีเลยครับอาจารย์มีคําถามเข้ามาอีกสองสามคำถามอาจารย์จะเมตตาตอบได้เชิญเชิญ<ๆ>ถามไปเรื่อยไม่เป็นไรหรอกถ้า<ต>ไม่มี <ๆ S 2> ก็แล้วถ้า ย, ยังมีต่อว่าก็ถามไปเรื่อยๆนะอาจารย์ไม่เจ็บคอนะครับไม่เป็นไรสบายไม่ไม่เดือดร้อนจากคุณวิพาณีครับเวลาเราได้รับข่าวร้ายเราควรตั้งรับอย่างไรจะให้ผ่านพ้นความกลัวได้ครับ ก็ยอมรับสภาพความเป็นจริง เ, เราไปห้ามมันไม่ได้เหตุการณ์ที่จะเกิดหรือไม่เกิดเมื่อมันเกิดแล้วเราก็รับรู้ไปแล้วก็ผ่านไปถ้าจะใช่ผลก็คือตอที่เราได้ยินเราไม่เห็นเดือนร้อนเลยพอเราได้ยินแล้วเราไปเดือนร้อนทำไมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเหตุการณ์มันก็เป็นเหตุการณ์ของมันอ ย, ยู่อย่างนั้นที่เรากลัวเพราะเรายังมีความอยากอยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมา พอได้ยินว่ามันเกิดขึ้นเราก็เราก็ตกใจกลัวขึ้นมาทานันเองแล้วต้องฝึกสมาธิให้มากว่าทําให้ใจมีวควเบิกขาเราตอบในเวลาได้ยินได้ยินได้รับรู้อะไรเมันเฉยได้ไหมคุณปิณณรงค์ครับเดินจงกรมแล้วฟังธรรมไปด้วยนั่งสมาธิก็ฟังธรรมไปด้วยพอนั่งและเดินแบบไม่ฟังก็ทําได้ไม่นาน สงบบ้างแต่จิตยังไม่เคยรวมเจ้าค่ะทําแบบนี้มาหลายปีหลังเสร็จงานอย่างไรจะก้าวหน้าขึ้นบ้างเจ้าค่ะก็ต้องทําให้มากขึ้นทํายังไม่มากไม่มากพอต้องทําให้มากเดินให้มากนั่งให้มากต้องทำให้มากๆ า, ากเจริญสติให้มาก คุณสมพรครับบอกว่าการทําบุญของญาติโยมที่วัดยานโยมจะทําบุญเฉพาะยิ่ยงการถวายอาหารชนิดเทน้ําเทท่าเต็มที่เอามากๆโยมไม่เคยเห็นการทําบุญถวายอาหารแบบเต็มที่แบบนี้มาก่อนในชีวิตจึงออกจัดทึ่งและอึอ้งเอามากๆอยากทราบว่าเป็นวัฒนธ ร, รรมของที่นี่หรือเปล่าครับมันเรื่องของศรัทธาของคนทําบุญ่มันทําบุญบางทีถ้าเขามีศรัทธาแล้วก็มีความสุขจากการทําบุญเขาก็ยินดีที่จะทำมากไปตามกําลังของเขา คุณพัชรินครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจำเป็นไหมครับที่เราต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดครับก็แล้วแต่ว่ามันเราปฏิบัติที่บ้างกับที่วัดที่ไหนดีกว่ากันล้วก็เองเปรียบเทียบดูเพราะว่าสถานที่มันมีผลต่อการปฏิบัติของเรา ถารามันเท่ากันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปที่วัดก็ได้ถ้าเราปฏิบัติที่บ้านก็ได้เท่ากับที่เราไปปฏิบัติปฏิบัติที่วัด่เราก็ปฏิบัติที่บ้านไปอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเราไปไปปฏิบัติที่ว้านแล้วรู้สึกว่าเราได้ประโยชน์ได้ผลดีเราปฏิบัติที่บ้านเราก็ต้องไปที่วัดเท่านี้คุณไกลบ้านครับขอพระอาจารย์แนะนําวิธีวางใจหลังฟังผลเลิ่มตั้งด้วยครับก็เหมือนกับฝนตกแดดออก้ะ มันมันจะตกแล้วก็ต้องอยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของมันมันตกก็ตกน้ําจะที่วมมาท่ววไปคุณฐานพงค์ครับบอกว่าทําบุญกับพระอาหารหันต์ได้อา น, นิสงส์งสูงสุดจริงไหมครับคือได้อา น, นิสงส์งหมายความว่าได้ได้ประโยชน์จากท่านแต่การทําบุญการเสียสลัของเรานี่จะทากับใครก็ได้เท่ากันถ้าจํานวนมันเท่ากัน ทำบุญกับผ้าหลานหรทําขอทานเช่นไว้จากรร้อยบาทให้ผ้าหลานหรือเอาเงินร้อยบาทใส่ใสก่กระปุกให้กับขอทานบุญส่วนนี้ได้เท่ากันแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้รับนี่อาจจะต่างกันขอทานก็อาจจะยกมือไหว้เราขอบคุณเราแต่ถ้าเราไปทําบุญกับผ้าหลานถ้าอาจะพุทธธารมเราฟังมา้วทำให้เราเขินในดวงตาเห็นทำขึ้นมาก็ได้ อันนี้ะที่ยังเป็นอั น, นที่สูงที่สุดเพราะไม่มีใครจะให้ธรรมะที่สูงสุดได้นอกจากพระอรหันต์จอมุจ้าระนั้นเองคุณยุยี่ครับเราควรยึดทำข้อใดในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยอาการแพนิคค่ะเจริญสติไงฉันยึดการบริกรรมพุทโธพุทโธไป พยายามให้มีพุโทโธอยู่กับใจเราไปเรื่อยๆวันวันทั้งวันทั้งคืนทำงานอะไรก็ถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดกับพุโทโธพุธโทโธไ่อมไปแล้วเวลาเกิดอาการไม่ดีขึ้นมาทางใจเราก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวเดียวใจเราก็จะกลับมาเป็นปกติคุณปฐุมมาตรครับสวดมนต์มีเสียงกับสวดในใจอันไหนได้กุศลมากกว่ากันคะ มันไม่ได้อยู่ที่เสียงแล้วไม่มีเสียงอยู่ที่สติแล้วไม่มีสติถ้าส่วนมันไม่มีสติมันก็ไม่ได้ไม่ได้นิสสงก็ใจมันจะไม่สงบส่วนรู้เพื่อให้ใจสงบจะสงบไม่สงบอยู่ที่การมีสติแล้วไม่มีสติไม่ใช่อยู่ที่การออกเสียงหรือไม่ออกเสียงคุณประภาวดีครับคนบางคนต่อหน้าพูดกับเราดีแต่รับหลังไปพูดอีกอย่างเราต้องแก้ที่ตัวเราใช่ไหมครัในเมื่อเราแก้ที่เขาไม่ได้ครับ ได้ก็เขาปากของเขาเราไปไปสั่นเขาไม่ได้เขาอยากจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาแต่ใจของเรานี่เราเราควบคุมได้เราอย่าไปทุกข์กับเขาไ่้เองคุณพัชรินครับถามพระอาจารย์ว่าอยากให้อยากอยากให้ลูกชายบวชจะทำยังไงคะบวชที่วัดพระอาจารย์คะ่ะอ๋อวันเราเนี่ยเราเป็นคนรับบวชไม่ได้ต้องไปติดต่อพระเจ้าว่า คุณแพทย์ครับเพื่อนฆ่าตัวตายเราจะทําบุญให้ผู้ตายอย่างไรครับก็ทําปกติทําบุญใส่บาตแล้วก็ส่งไปจะได้หรือไม่ได้ก็อีกส่วนหนึ่งคนใหญ่คนที่ฆ่าตัวตายมักจะไปนรกก่อนจะไม่สามารถรรับส่วนบุญที่เราส่งไปให้ได้แต่ก็ไม่แน่แล้วก็ทําเผื่อไปก็แล้วกัน คุณมุจจรินทร์ครับโยมยังมีบาปฆ่ายุงฆ่ามดอยู่ค่ะยุงกัดกะตบเอาวันนี้กันเล่าให้ฟังนะใส่ครับคุณประชาครับคนอักตันยูไม่ทำอะไรตอบแทนคุณคนอื่นในแง่ที่ไม่ทำอะไรก็เรียกได้ว่ายังไม่ทำบาปไม่ได้ทำบุญใช่หรือไม่ครับไม่ได้ทำบาปแต่ถ้าถึงเวลาจะต้องตอบแทนและไม่ทำก็เรียกว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ไม่มีความกตันยู ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำบุญหรือไม่ได้ทำบาปแต่มันเป็นการแสดงให้เห็นเห็นนิสัยของคนคนนั้นว่าเป็นคนแบบไหนมันไม่เกี่ยวกับบุญกับบาปที่มันเกี่ยวกับว่าคนนี้มีความจิตสานึกในความในในความในบุญคุณของผู้อื่นหรือไม่ถ้าเขาไม่แสดงความกระตันยูนี่มันก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่กระตันยู ก็าา จ, จะทำให้คนเขาไม่อยากจะสนับสนุนคุณเพชรทวันครับจิตติดไปในทางทุกบ่อยกว่าความสุขหรือเฉยๆจิตใจไปทางทุกมานานแล้วถือว่าเป็นกรรมเก่าใช่ไหมคะก็ถือว่าจิตเป็นเป็นปรุงแต่งไปทางกิเลสเความทุกข์ทางแจมันเกิดจากความรักความโลภความกวดความหลง คุณมาริกาครับการถวายสังฆทานหลังเที่ยงมีอาหารแห้งด้วยได้ไหมคะถวายนี้เขาก็ทำกันเขาก็ถวายกนันแต่ว่าถ้าไปวัดที่เป็นวัดปฏิบัตินี่เขาเข้มขัดเพราะว่าใ น, น, นเวลาเอาของไปถวายหลังเที่ยงเวลาเขามักเจาให้วางไว้เฉยๆเขาจะไม่รับกับมือเพราะกรรับประเคนนนี่มันรับไม่ได้ถ้าเป็นมีอาหารอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งก็ตาม มันใหญ่ทางทำวัดนี้วัดป่านี้ถ้าเราเอาของที่เป็นอาหารไปแล้วมักจะไม่ไม่ให้ผ้าประเคียงเพราะเรามีจิตนาให้เขาเก็บไว้ในโรงครัวแล้วก็เอาไปตั้งไว้แล้วเดี๋ยวก็จะมีลูกศิษย์เอาไปเก็บไว้ในโรงครัวเพื่อเวลาวันไหนที่ไม่มีอาหารขาดแคลนเขาก็จะได้อาหารนี้มาถวายพระตอบกได้แต่ถ้าวัดทั่วไปใดในบ้านในเมืองนี้เขารับตลบอด24ชั่วโมง ออสติ <100 S 2> ก็แปง้งเข้ามามีอะไรอะไรก็แปลงเขาก็ไปสนใจนะครับคุณเพรตี้ครั บ, รบเราควรนั่งสมาธิในห้องนอนหรือต้องนั่งในห้องพระดีคะที่ไหนก็ได้ในการนั่งสมาธิมันไม่ได้สาคัญที่ที่เราหน่าสำคนญที่สติขอให้นัาให้มีสติถ้าไม่มีสตินั่งที่ไหนก็ไม่เกิดผลอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรคุณออยครับ ขณะที่เราตั้งใจฟังธรรมที่ตั้งแต่เริ่มจนจบจิตไม่มีวกแวกเลยถือว่าเราได้ฝึกสติสมาธิด้วยไหมครับใช่ถ้าใจไม่วอกแวกเลยไม่ไปคิดเรื่องนั้นเนี้แล้ ว, วเราจะมีสติมีสมาธิในระดับ <c oughs> คุณรวิวันครับกับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าช่วงกลางคืนนั่งสมาธิแต่ไม่ได้เดินจงกรมก่อนแต่ใช้สติขณะเดินระหว่างวันแทนได้หรือไม่คะหรือควรเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งครับ ของการเดินจงกรมนี้มันเป็นเรื่องออปชันนะแล้วแต่เราอยากจะเดินก็ได้ไม่เดินก็ได้บางคนนี้บางทีนั่งสมาธิแล้วมันใจมันคูุ้้สซ่าก็เลยเลือกกเลือกวิธีเดินจงกรมไปแทนเพราะเราคิดว่าเวลาเดินจงกรมมันมีสติที่ดีกว่ า, าใจไม่ค่อยคลุ้งซ่าอันนี้เป็นเรื่องเราสามารถเลือกได้จะเดินหรือจะนั่งอันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นประเด็นขึ้ตนตามันตรงที่ว่าถ้าเราอยากได้ความสงบมาก เราจะได้ความสงบจากการนั่งมากกว่าการเดินแต่ถ้าเรานั่งนต้นใจเรายังพุ่งสร้างยังยังไม่มีสติพอเราก็เราก็เดินเดินก่อนก็ได้เดินเพื่อให้ใจเรามีสติมากขึ้นอันนี้แล้วแต่เราจะพิจารณาตามความเหมาะสมไม่ได้เป็นสูตรตายตัวว่าจะต้องเดินก่อนแล้วค่อยนั่งหรือจะต้องทําทั้งสองอย่างเท่าเทียมเท่ากั น, นอะไรทำนองนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถ เลือกเราได้ว่าอันไหนมันบอกกับเราในเวลานะคุณ อ, อ้นอนงค์ครับคุณแม่ของโยมป่วยต้องไปพบคุณหมอคุณพ่อโยมจะทุกข์ใจร้อนใจมากจนตัวเองเครียดอยู่บ่อยครั้งมีอาการเกรงจนตนเองอาจจะป่วยได้โยมควรต้องบอกกับโยมพ่ออย่างไรดีคะเพื่อให้คุณพ่อวางจิตวางใจได้ถูกต้องครับแล้วเขาถามเร า, าหรือเปล่าถ้ไม่ถามเราก็ไม่รู้จะไปบอกเขาออย่างไร คำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับสามีเสียชีวิตเวลาเราใส่บาตรเราเลือกชื่อถึงสามีจะยิ่งทําให้เขาไม่ได้ไปเกิดใหม่หรือเปล่าคะเพื่อนบอกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อสามีอีกขอโทษครบอพระอาจารย์ครับมีความคิดร้อยแปดทางประการไม่หรเราเวลาอุทินบุญเราก็ต้องเราเลือกถึงชื่อของคนที่เราจะอุทิศให้เขามันจะได้ไปถึงเขาได้เราอุทิศแล้วไม่เกิดชื่อเขามันก็รู้จะไปที่ไหนมันส่งจดหมายจะไม่มีจานหน้าซอมอย่งนี้ย มันก็ไม่รู้จะไปไหนยังไงไม่ทำกลัวหรอกมันไม่เกี่ยวว่าเรื่องการไปเกิดไม่เกินถ้าเราไม่ได้ไปไปอ่อยชื่อเขาหรือไม่เอ่ยชื่อเขาไม่เกี่ยวกันนะถ้าอุทิศบุญต้องเอ่อยชื่อหรือเอ่อยถานะภาพถ้าไม่อยากอ่อยชื่อก็ขออุทิศบุญ น, นี้กับอดีตสามีก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับ อาจารย์ครับวันนี้คนไปนลุ้นผลเลือกตั้งกันหมดครับในเน็มีคนดูอยู่ร้อยอยู่ห้าร้อยสามคนครับในยูทูบสี่ร้อยี่สิบเอ็ดคนในครับเฮาแปดคนรวมกันก็เก้าร้อยสาสิบสองคนครับก็ยังเกือบพั น, นครับเดี๋ยวแฟนพันทะอยู่เนี่ยแฟนที่อยู่จินี่คือแฟนพันแท้ยอย่างไม่สนใจ <c oughs> เรื่องการเมืองว่าเป้าธรรมะอันนี้ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเรื่องของตั้แต่ลูบุคคลที่มีความ ความคิดความชอบไม่เหมือนกันอยังไงก็ดีทั้งนั้น mm hmm. หวังว่าทุกท่านย่าคงจะมีความสุขในคืนนี้ถ้ายอมรับกับผลที่เกิดขึ้นได้นะจะมายังไงก็ถือว่ามันเป็ น, ป น, ปนมันเป็นมันเป็นกฎกติกาของของของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันว่าเรามีกฎกติกาแบบนี้เราก็รับกฎกติกาไปทำใจเราให้นิ่งในสงบ อย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจเป็นเรื่องธรรมดาโอเคว่าเป็นเรื่องแค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอกีกอ่ะเดียไม่กี่ปีก็มีเรื่องใหม่มันก็ทุกอย่างมันก็เป็นอนิจจาวไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ากินอย่างนี้แล้วเราก็จะได้สบายใจก็คิดว่าพอสมควรเขีนเวลาสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเธิาสาธุกอขอราคุณหมอแนละท่านผู้ชมผู้ฟังไว้บรนเพลงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรเหตุการณ์ข้องก็คงจะเล่นพบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าหมอจเจริญค่บขอบคุณพระอาจารย์ครับ